แมกระหม่อมชั้นก็ระลึกชาติที่ตนได้ท่องเที่ยวมาแล้วได้เจ็ดชาติและระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในอนาคตอีกเจ็ดชาติข้าแต่พระจอมประชาชนชาติที่เจของกระหม่อมชั้นในอดีตกระมม่อมฉั้นเกิดเป็นบุตรนายช่างทองในแคว้นมคตราชครึษมหานครกระมม่อมชั้นได้คบหาสหายผู้ลามก ทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาของชายอื่นเหมือนจะไม่ตายกรรมนั้นยังคงอยู่ยังไม่ให้ผลเหมือนไฟอังเท่าปกปิดไว้ในการต่อมาด้วยกรรมอื่นๆกระหม่อมฉันนั้นได้เกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีเป็นบุตรคนเดียวในสกุลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมาย คนทั้งหลายส ก, การะบูชาอยู่เป็นนิจในชาตินั้นกระหม่อมชั้นได้คบหาสมาคมมิสหายผู้ยินดีในกรรมอันงามผู้เป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรเขาได้แนะนำให้กระหม่อมฉั้นดำรงอยู่ในสิ่งอันเป็นประโยชน์กระหม่อมชั้นได้รักษาอุโบสถในวัน14่ค่ำสิบ้าค่ำตลอดราตรีเป็นอันมากกรรมนั้นยังคงอยู่ ยังไม่ให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำรั้นภายหลังบรรดาบาปกรรมทั้งหลายปรารตารกรรมนี้ใดที่กระห ม, ม่อมฉันได้กระทำไว้ในมคธรัตผลแห่งกรรมนั้นมาถึงกระห ม, ม่อมฉันแล้วในภายหลังเหมือนดื่มยาพิษอันร้ายแรงฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐกระห ม, ม่อมฉันจุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแล้ว ต้องหมกไม่อยู่ในโรรวะนรกจิ้นกาลนานเพราะกรรมของตนกระหม่อมชั้นประลึกถึงทุกข์ที่ได้เสวยในนรกนั้นไม่ได้ความสุขเลยกระหม่อมชั้นยังทุกข์เป็นอันมากให้สิ้นไปในนรกนั้นนานปีแล้วเกิดเป็นลาถูกเขาตอนอยู่ในพินนาคตะมหานครกระหม่อมชั้นเมื่อเกิดเป็นลา ต้องพาลูกผู้ดีทั้งหลายไปด้วยหลังบ้างด้วยรถบ้างนั่นเป็นผลแห่งกรรมนั้นคือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้กับภรรยาของผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้ครองบิเทหรัตกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นลานั้นแล้วไปบังเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ถูกลิงจ่าฝูงผู้ขนองคบกัดลูกอันทะนั่นเป็นผลแห่งกรรม คือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรรยาของผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัตกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นลิงนั้นแล้วได้เกิดเป็นโคในทศนารัตถูกเขาตอมีกำลังแข็งแรงกระหม่อมชั้นต้องเทียมญาณอยู่สิ้นกาลนานนั่นเป็นผลของกรรมคือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรรยาของผู้อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัดกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นโคนั้นแล้วมาบังเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภะสมบัติมากในแคว้นวัชชีได้เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงๆนั่นเป็นผลแห่งกรรมนั้นคือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรยาของผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัด กระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นกระเทยนั้นแล้วได้ไปบังเกิดเป็นนางอับสอนในนันทนวันณดาวดึงพิภพมีวั น, นะหน้าใครมีผ้าและอาพร อ, อันวิจิตสวมกุณทนแก้วมณีเป็นผู้ฉลาดในการฟ้นรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของท้าสักกะข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรา์ เมื่อกระหมอ่อมชั้นอยู่ในดาวดึงพิภ พ, พนั้นประลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติที่กระหมอ่อมชั้นจุติจากดาวดึงพิภ พ, พ, พนั้นแล้วจะไปเกิดต่อไปกุศลที่กระหมอ่อมชั้นกระทำไว้ในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลกระหมอ่อมชั้นจุติจากดาวดึงพิภ พ, พ, พนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ข้าแต่พระมหาราชา กระหม่อมชั้นเป็นผู้อันชนทั้งหลายสักการะบูชาแล้วเป็นนิจตลอดเจชาติถึงชาติที่6นี้กระหม่อมชั้นก็ยังไม่พ้นจากความเป็นหญิงข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐชาติที่7กระหม่อมชั้นจึงจักได้เกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพระบุตผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้ นางอัปซรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยต่อเนื่องอยู่ในนันทนวันเทพบุตรนามว่าชวะสามีของกระหม่อมชั้นยังรับพวงมาลัยอยู่16ปีในมนุษย์นี้เป็นราวครู่หนึ่งของเทวดาร้อยปีในมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาดังที่ได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้ กรรมทั้งหลายย่อมติดตามไปทุกๆชาติแม้ตั้งอสงไขยด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามอันบุคคลทําแล้วย่อมไม่พินาศไปชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆชาติไปก็พึงเว้นภรรยาผู้อื่นเสียเหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นเปลือกตมฉะนั้นหญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆกชาติไป ก็พึงยำเกรงสามีเหมือนนางเทพอับสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินทร์ฉะนั้นผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตรมสามอย่างสตรีก็ตามปุรุษก็ตามควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกายวาจาใจ มีปัญญาเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนนรชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นคนมียศมีโภคทรับบริบูรณ์ทุกอย่างนรชนเหล่านั้นได้สั่งสมกรรมดีไว้ในปางก่อนแล้วโดยไม่ต้องสงสยัยสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของของตนข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐเชิญพระองค์ทรงพระราชดาริด้วยพระองค์เองเถิด ข้าแต่พระจอมชนพระสนมผู้ทรงโฉมงดงามปานดังนางเทพอักษรผู้ประดับคลุมกายด้วยร่างแหทองเหล่านี้พระองค์ทรงได้มาเพราะผลแห่งกรรมอะไรพระนางรุจาราชกัญญาทรงยังพระเจ้าอังคติราชพระชนกนาฏให้ทรงยินดีพระราชกุมารีผู้มีวัดอันดีงามกราบทูลทางสุขติแก่พระชนกนาฏ ดังหนึ่งบอกทางให้แก่คนหลงทางและได้กราบทูลข้อธรรมถวายโดยในต่างๆดังนี้แลในการนั้นนารถามหาพรหมตรวจดูชมภูทวีปได้เห็นพระเจ้าอังคติราชผู้ทรงมีความเห็นผิดจึงมาจากพรมโลกถึงถิ่นมนุษย์ลำดับนั้นนารถามหาพรหมได้ยืนอยู่ที่ปราศาส์เบื้องพระพักแห่งพระเจ้าวิเทหราช ก็พระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทะฤาษีนั้นมาถึงจึงนมัสการครั้งนั้นพระราชาทรงวาดพระหรุไทยเสด็จลงจากราชาาดเมื่อจะตรัสถามนารทะฤาษีได้ตรัสพระดำรัดนี้ว่าท่านมีผิวพรรณงามดังเทวดาทรงรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศดังพระจันทร์ท่านมาจากไหนหนา ข้าพเจ้าถามแล้วพอท่านจงบอกนามและโคดแกข้าพเจ้าคนในมนุษยโลกย่อมรู้จักท่านอย่างไรหนออัตมาภาพมาจากเทวโลกเดียวนี้เองทรงรัศมีสว่างจ้าไปทั่วทิศดังพระจันทร์มหาบาพิตร ถ, ถามแล้วอัตมาภาพขอถวายพระพร น, นามและโคดให้ทรงทราบคนทั้งหลายรู้จักอัตมาภาพโดยนามว่านารทะ และโดยโคดว่ากัสปะสันฐานของท่านและการที่ท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้น่าอัศจรรย์ท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านเออเพราะเหตุอะไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้คุณธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะหนึ่งธรร ม, หรร ม, หรรมหะหนึ่งธรรมะหนึ่งจาคะหนึ่ง อัตมภาพได้ทำไว้แล้วในภพก่อนเพราะกุณธรรมที่อัตมภาพเสพมาดีแล้วนั้นนั่นแหลอัตมภาพจึงไปไหนไหนได้ตามความปรารถนาะเร็วทันใจท่านเมื่อบอกความสำเร็จแห่งบุญชื่อว่าบอกความอัศจรรย์ถ้าแลเป็นจริงอย่างท่านกล่าวท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน ข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงพยากรณ์ให้ดีขอถวายพระพรขอ้อใดพระองค์ทรงสงสัยเชิญมหาบาพิธตรัสถามข้อนั้นกับอาตมาภาพเถิดอาตมาภาพจะถวายวิสัชนาให้มหาบาพิธทรงสิ้นสงสัยด้วยในด้วยญายธรรมและด้วยเหตุทั้งหลายท่านนาระทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน ท่านถูกถามแล้วอย่าได้กล่าวมุสาแก่ข้าพเจ้าที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีประโลกมีนั้นเป็นจริงหรือที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีและประโลกมีนั้นมีจริงทั้งนั้นแต่นราชนผู้หลงงมงายกครในกามทั้งหลาย จึงไม่รู้ประโลกท่านนาระทะถ้าท่านเชื่อว่าประโลกมีจริงสถานที่อยู่ในประโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีขอท่านจงให้ทรัพย์500กหาปณ ะ, ะแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้ข้าพเจ้าจะใช้ให้ท่าน 1,000 พกหาปณ ะ, ะในประโลก